เมื่อกี้ฟังอยู่ข้างล่างเห็นชัดกว่าตอนอยู่ข้างบนนะครับคือข้า <c oughs> พูดไปด้วยเนี่ยมันมันเหมือนมันจะเพลินไปเ <c oughs> มื่อกี้รู้ส็จเลยว่ามีหลายช็อตที่มันโบกขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ต้องก็ต้องขอบคุณคุณคุณเลยนะคุณหนิงคุณหนิงค่ะคุณหนิงค่ะชอบตัวมาผีกระสือมากเลยครับมัน เนี่ยค่ะพอทุกคนโดขึ้นมามาคุยกันมันทำให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะหลายๆคนเห็นเลยค่ะเป็นเป็นมาที่แบบเออเราเหมือนเป็นกระสือไปจริงๆครับขอบพระคุณครับก็รู้สึกเออก็ได้ในระลึกกลับมาว่าเออแต่มันก็เป็นเป็นไอ้นั่นเนี่ยค่อนข้างจะมันเป็นความจริงนะคนที่เข้าใจเนี่ยสามารถ ยกอุปมาได้เองคือไม่ต้องอ้างอิงไม่ต้องอ้างอิงอะไรเพราะว่าเป็นความเข้าใจแล้วก็ยกคําหรือเหตุการณ์เนี่ยมาเป็นอุปมาอุปไมยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็มันก็เออมันก็เหมือนกับว่ามันคุณนสมบัติอะ่ะคุณนสมบัติว่าเออถ้าใครรู้ตัวเป็นใครเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะยกอะไรมาเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบได้เยอะมากเลยค่โอ้ใช่เลยครับหลวงพ่อเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผม ชอบอ่านเนี่ยเพราะผมว่าอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้แต่ละอย่างเนี่ยคือมันมันคือผมว่าคนที่ใช้อุปมาได้เนี่ยเขาเขาต้องเข้าใจแจ่มแจ้ ง, จ ง, จงมันถึงมันถึงแบบว่าถึงจะยกอุปมามาให้คนอื่นเข้าใจได้แล้วกลยุทธ์ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปมาเลยทั้งนั้นเลยนะครับพอเข้าใจว่าเรื่องจิตเนี่ยมันไม่มีมันไม่รู้จะสื่ อ, อยังไงเพราะนั้นท่านก็ต้องสื่อด้วยอุปมา อก็เลยก็เลยชอบที่ว่าคือชอบเนี่ยมันมันคงเป็นจริตส่วนตัวนะครับคือผมชอบเรื่องเล่าคือในในพระไตรปิฎกเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันนย่งมีส่วนที่เป็นอภิธรรมเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่านมากเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นเรื่องของเนื้อตำราแล้วแต่ว่าในส่วนที่เป็นพระสูตรเนี่ยผมว่ามันมีสตอรี่มันมีคือ กว่าที่พระพุทธเจ้ท่านจะเทศเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุมาก่อนแล้วมันก็ได้เห็นปฏิพานของท่านในการที่จะทั้งปราบวาฏะของคนนอกลทัทธิหรือว่าสอนคนที่ทิฐิแรงกล้าอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการ อ, าอ่านตรงนี้ยมันได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมะแต่ว่ามันยังได้ในแง่ของอื่นอื่นอีกมากมายเต็มไปหมดเลยครับอขอบคุณครับเออโยมโยมมีเคยอ่านเจอไหมมีเรื่องราวใน เป็นพุทธประวัติขนาะดที่มีพวกหนุ่มสําราญนะ่ะที่เข้าไปไปเที่ยวผู้หญิงหรือไปอะไรนะ่ะแล้วก็ผู้หญิงก็เอาเอาของมีค่าไปเนาะแล้วก็วิ่งหนีอะไรเนี่ยแล้วก็หนุ่มเนี่ยก็ตามตามหาตามล่าเนาะแล้วก็จนกระทั่งว่าพบพระพุทธเจ้าเลยถามว่าพระพุทธเจ้าเห็นผู้หญิงวิ่งมาผ่านทางนี้ไหมอะเนี่ยยมมีข้อมูลตรงนี้ไหมยอยากให้เล่าจังเลย S <S ผมไม่ไม่คุ้นเนี่ย น, นะครับ <S <S เดี๋ยวใครรู้เรื่องนี้ที่อยู่ในเนี้ยอยากจะให้เล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกคําเดียวแค่นั้นน่ยเหมือนกับว่าอย่าไปาตามหาอะไรให้เหมือนกับว่าให้ให้รู้ตัวเองให้ตามหาตัวเองดีกว่าอะไรเนี่ยแล้วไอ้ไอ้หนุ่มสําราญเนี่ยมันฉลาดมันมันแบบมันกึกเลยอะ่ะว่าไอ้ทำไมพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็พระพุทธเจ้าพูดต่อมึงแล้วก็ลึกซึ้งในคําที่พระพุทธเจ้าให้คําแนะนําอ่ะจนกระทั่งว่า ก็รู้แต่ตัวเองอย่างนเนี้ยเนี่ยมันเหมือนกับที่ที่หลวงพ่อพยายามสกัดไงอย่าไปอื่นเนี่ยอย่าไปรู้เรื่องอื่นนี่รู้ตัวเองตรงเนี้ยเพราะมันพ้นทุกข์มันอยู่ที่ตรงนีเออ้เดี๋ยวถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้นะอยากจะให้มามาม า, มาพูดให้ฟังนะเพราะว่ามันเป็นไปนมีวันก่อนที่ที่หลวงพ่อพูดเรื่องเนี้ยนะครับผมว่ามันคล้ายๆกันแต่ผมนึกไปถึงเรื่ององคุลีมาท่า น, นเองที่ว่าที่ว่าพระเจ้าข่านบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ว่าองคุลีมาเนื้อวิ่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าวิ่งผมว่าอันนั้นก็ ก็ถือว่าใกล้เคียงเลยครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเลยวเลยแม่คนใกล้ตัวเราไม่ถามไปถามคนอื่นนี่ค่ะก็แล้วเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระทวเจ้าในจำพรรษาแรกที่เอที่ป่ามรดกไทยวรรณนะคะพอออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เดินทางจารึกไปยังกรุงรัชทึกค่ะเพราะว่าเคยทรงรับปากกับพระเจ้าพิมพิสารนะคะว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมเนี่ยก็จะมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะคะ แล้วเมื่อพระองค์จักสรู้รมไปแล้วนะคะระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่เนี่ยภักอยู่ใต้ต้นไม้ก็มีชายหนุ่มค่ะประมาณ30คนนะคะหน้าตาเลกลากเลยนะคะดูมีความกังวลใจนะคะเดินผ่านมาแล้วก็ถามรพระพุทธเจ้าค่ะว่าเห็นผู้หญิงคนนึงเดินผ่านมาไหมนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่ามานพหนุ่มเน่ยอายุสามสิบคนเนะะี่ยค่ะชวนกันไปสำเริงสําราญกันนะคะต่างคนก็ต่างชวนผู้หญิงของตนไปสนุกสนานแต่ว่ามีคนนึงเนี่ย ชวนเข้าใจว่าเป็นนางคณิกาไปนะคะแล้วพอคนเหล่านี้เผลอเนี่ยนางคณิกาก็ซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยใช้คำว่าหญิงแพทยยานะคะก็ฉกฉวยเอาทรัพย์สินเนี่ยของสมบัติเอ่อเป็นสมบัติของชายหนุ่มเหล่านี้ไปด้วยคงจะเป็นพวกแบบแก้วแหวนเงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หายตัวไปชาวเอ่อชายหนุ่มเหล่านี้ก็พอรู้ก็ตกใจนะคะว่าทรัพย์สินตนเองเนี่ยหายไปก็เลยออกตามล่าผู้หญิงคนนี้พอไปเจอพระเจ้าค่ะเอ่อคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักนะคะ แต่ว่าเห็นเป็นเป็นพระชิตก็คิดว่าคงจะรู้เบาแสนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปถามว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นผ่านมาหรือไม่นะคะพระเพรื่เจ้าเนี่ยไม่ตอบว่าเห็นหรือไม่เห็นนะคะแต่ว่าถามกลับไปค่ะว่าพวกท่านเนี่ยระหว่างการแสวงหาผู้หญิงนะคะกับการแสวงหาตัวเองอะไรจะดีกว่ากันนะคะพอได้ยินแบบนี้ค่ะทั้งสามสิบคนก็ชะงักค่ะเพราะว่า ไม่คาดว่าจะเจอคําถามนี้นะคะแล้วก็อาจจะไม่เคยนึกถึงเรื่องการสแสวงหาตัวเองมาก่อนก็อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องย่าปากคอกนะคะแล้วพอพระพุทธเจ้าถามคนเหล่านี้ก็เลยชะ ง, งักสนใจฟังนะคะเป็นเรื่องที่น่าคิดพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมค่ะคนเหล่านั้นก็พิจารณาตามพอพระองค์แสดงธรรมจนจบนะคะคนเหล่านั้นก็เป็นพระโสดาบันบ้างสกิทาค า, ม, าะคะมีบ้างนะคะมีบ้างนะคะ เรียกว่าได้กลับมาค้นหาสแสวงหาตัวเองนะคะค้นพบสัจธรรมก็คือพ้นทุกเนี่ยค่ะนะคะก็เป็นเป็นเรื่องเล็กๆพุทธประวัตินะคะที่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสถามนะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าคะเข้าสู่ทุกๆยุ ค, ะคะ่ะถามได้หมดเลยะคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนนะคะถึงแม้ปัจจุบันก็ตามนะคะแทนที่เราจะไปสแสวงหาสิ่งอื่นภายนอกนะคะเรากลับมาสแสวงหา สิ่งที่มันอยู่ภายในของตนนี้แหละค่ะนะคะประมานี่ไหมคะหลวงพ่อค่ะใช่ใช่ช่ัดเจนโยมก็เล่าเล่าได้ดีอ่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยหลวงพ่อเองก็เห็นความสําคัญไงว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยรู้เรื่องอื่นหมดเลยแต่ถ้ากลับมารู้ตัวเองที่เรียกว่าหลวงพ่อใช่คําว่ารู้เราอ่ะตรงนี้แหละมันพ้นทุกการที่เรารู้เนี่ยมันไม่จบหรอกมันรู้เท่าไหร่ก็ไม่จบมากมายที่ต้องรู้แต่ถ้ารู้เราเนี่ย มันสามารถพ้นทุกข์ได้เพราะเห็นว่าพ้นทุกข์ด้วยปัญญาแต่ว่าต้องมีข้อมูลนะว่ารู้เราเนี่ยมันพ้นทุกข์ได้อย่างไรรู้เราก็คือรู้ทุกข์นั่นแหละเพราะตัวเราทั้งตัวเนี่ยร่างกายจิตใจก็คือทุกข์ใช่ไหมเมื่อรู้เราเนี่ยรู้เนี่ยมันมีธรรมะเนี่ยมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ามีธรรมชาติรู้ที่รู้ทุกข์ได้นะแล้วทุกข์เมื่อรู้ทุกข์ก็คือไม่ทุกข์เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นทุกข์อันนี้หมายความว่าต้องเป็นปัญญาที่ที่เข้าใจมามามากแล้วแหละ หลวงพ่อก็เลยเอามาพูดตรงนี้กันดีกว่าถ้ารู้เราหลวงพ่อก็ขยายความว่าบางทีว่าเออมันพ้นทุกได้ยังไงอย่างเงี้ยก็คือขยายให้แต่บางคนถ้าได้ติดตามฟังมาแล้วตลอดเนี่ยพอรู้เราปั๊บเนี่ยมันพ้นเลยในปัจจุบันเลยเพราะว่ามันแจ่มแจ้งในทุกไงว่าตัวเราคือร่างกายจิตใจนี่แหละคือตัวทุกขพอรู้ทุกเท่ากับรู้ทุกอ่ารู้ทุกก็คือไม่ต้องเป็นทุกขเพราะว่ามันมีปัญญาเออเหมือนกับว่ารู้แล้วก็ไม่เอาไม่ถือไม่ยึดแต่ทุกนั้นมีอยู่ก็เกิดเกิดดับๆับไป มันก็รัดสั้นนะรัดสั้นแต่ก็อย่างว่าเนาะต้องเรื่องของปัญญาแน่นอนอ่ะไอคนบอกอย่างเราคุยกับโยมเทียนอ่ากล่าวถึงเล็นหน่อยโยมเทียนวันนี้เราให้เวลากับ <c oughs> โยมเทียนมากโยมทุ่มเทเอาโยมเที ย, เ อ, ย, เ, ทยเอาไงก็เอา เ, อ า, เอาคุยกันให้แก่ ให้แก่สะบายใจหน่อยใช่ค่ะหนูเห็นหนูเลยเออจริงๆก็เลยนึกถึงนะคะเอ่อคนแก่ที่บ้านเลยค่ะจริงๆก็จริงๆไม่ใช่อะไรจริงๆแกไม่รู้จริงๆค่ะไม่ใช่ว่าอะไรอ่าเราก็นะคะแบบเออเมตตาอะไรเงี้ยค่ะช่วยช่วยกันไม่เป็นไรค่ะมากี่ครั้งเราก็คุยกันได้เออเวลาเอา่อคุณเทียนไม่เข้าใจคุณเทียนก็จะตั้งสเตตัสไว้นะคะหนูหก็บางทีไปเห็นเนะะี่ยค่ะก็โอ้แสดงว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะอืม กัยังใยรู้ว่าถือว่าโอเคละใช้ได้มากันไปนี่ถ้ า, าเกิดเข้าใจนิดเดียวพลิกล็อกก็คือโอแค่รู้สึกตัวนี่เนาะ <ใช S 1> หยุดความคิดหยุดข้อสงสัยเพราะนั้นปรงแต่งไงสงสัยไปก็ไม่มันมันก็วนๆอยู่แล้วก็อยู่ด้วยความสงบฟังอย่างเดียวฟัง า, างเดียวโอ้ตรงนี้แหละมันจะเป็นเป็นสมาธิเนาะพอเป็นสมาธิเดี๋ยวปัญญาก็เกิดจากการฟังได้ง่ายเลย แต่ทีนี้มันมันหยุดไม่เป็นเนาะเพราะว่าคนเราอยากรู้แล้วก็สงสัยไปเรื่อยอย่ะงแต่ก็น่ารักอ่ะเออ่าไปแล้วอย่างวันนี้ตัวอย่างนะคะพอดีหนูนี้สอนนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนก็บอกว่าเนี่ยตอนเอด้วยความที่หนูนสอนดนตรีนะคะนักเรียนก็ดูโน้ตค่ะแต่ว่าเออ่มือก็ เล่นเหมือนเงี้ยค่ะแต่แต่ว่าสมองค่ะคิดไปเรื่องอที่โรงเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็บอกว่าเนี่ยจริงจอ่ะเราไม่ต้องไปคิดไกลเรากลับมาคิดที่ใกล้ที่ตัวเรานะคะเหมือนกับเห็นเราเองเนี่ยเขาก็ถามว่าอ้าวคุณครูคะเห็นยังไงเหมือนเราเห็นตัวเราเองในกระจกหรือเปล่าอ่ะเด็กนะคะาก็ถามนะคะหนูก็บอกว่าจริงจริงอ่ะการที่เราเนี่ยเห็นตัวเองนะคะการรู้จักหรือว่ารู้จักตัวเองมันก็มีมากมายความหมายนะคะแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้ชอบ ส่งจิตออกนอกนะคะแล้วก็ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นใครการรู้จักตัวเองก็เช่นแบบอาจจะแบบบางคนว่าเห็นหน้าตัวเองเห็นเงาตัวเองในกระจกรู้ว่าอันนี้อย่างเนี้ยเป็นการรู้จักตัวเองแบบเบสิกนะคะสามัญซึ่งมนุษย์เนี่ยละสัตว์เนี่ยไม่กี่ชนิดนะคะที่รู้จักตัวเองแบบนี้ได้เวลาเห็นเงาตัวเองในกระจกเนะ่ยแล้วรู้ว่านี่คือเราข้างในอะ่ะนะคะจริ ง, รงๆเรารู้ช้างก็รู้ค่ะแต่ว่าพวกหมาไก่พวกเนี้ยเป็ดเขาไม่รู้เลยนะคะ อเอากระจกมาวางเนี่ยเขาก็ยังเข้าใจเลยว่านั่นอ่ะคืออีกตัวหนึ่งเขาไม่เคยทราบเลยค่ะว่าอันนั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองนะคะแบบแสดงอย่างนี้แสดงว่ามันไม่รู้จักตัวเองเป็นเบสิกภายนอกแต่รู้จักตัวเองหน่อยก็ยังแบบห ย, ยาบๆอยู่นะคะเพราะว่าเด็กๆ ก, ก็ทําได้นะคะทารกก็ทําได้สองขวบ <c oughs> เห็นเห็นตัวเองในกระจกก็รู้ได้ว่าอันนี้เป็นตัวเองรู้จักตัวเองแต่ที่ลึกไปกว่า น, นั้นค่ะคือรู้ว่าเราอะ่ะ มีความถนัดตรงไหนนิสัยใจคอ ย, ยังไงแล้วก็พัฒนามากกว่านั้นค่ะนะคะก็คือมีคนจำนวนมากก็ไม่รู้ตัวเองด้วยค่ะว่าเอ๊ะตัวเองเรียนหนังสือมานะคะยังไม่ทราบเลยค่ะว่าตัวเองถนัดอะไรบางที่จบมานะคะถนัดบางอย่างแต่ไม่ได้เรียนมาก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะจริงๆฉันถนัดอันนี้แต่กลัดไปเรียนอีกแบบหนึง่งนะคะอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งแต่ว่าพอย้อนกลับมาค่ะอ่ เอาที่ใกล้ที่สุดก็คือตอนเองเลยเนี่ยคะภายในของตอนเองเนี่ยคะ่ะก็คือรู้กายรู้ใจรู้ในปัจจุบันขณะอย่างเช่นเรานั่งอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งเนะะี่ยค่ะถ้าไม่รู้ก็คือลืมนะคะลืมกายลืมใจไปทีนี้บางทีมันคิดเพราะว่าใจนะ่ะลอยคิดนู่นคิดนี่นะเหมือนเกับเราทําอะไรอยู่บางที่เขียนหนังสืออยู่หรือว่าอ่านหนังสือดูทีวีอยู่บางทีมันแวบไปนะค ะ, นะคะแบบปุ๊บนึงลอยไปไหนไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าแบบ ไม่รู้ใจตัวเองนะคะบางทีบอเอ๊ะวันนี้วันอะไรก็ลืมไปนะคะแต่ในขณะที่เรารู้กายรู้ใจมีสติเนี่ยตลอดเนี่ยค่ะเมื่อกายเคลื่อนไหวเราก็ทราบเมื่อกายนั่งเราก็ทราบเมื่อใจนึกคิดไปก็รู้อย่างเงี้ยคือการรู้จักตัวเองในความหมายเชิงลึกนะคะเพราะไม่ใช่แค่นิสัยใจคอนะคะหรือว่าเอ่อในการที่เรารู้จักนิสัยใจคอบางทีใช้ในการสังเกตเป็นปีๆนะคะถึงจะรู้ว่า คนนี้นิสัยแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะนิสัยมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเปลี่ยนแปลงช้านะคะบางคนสิปียังนิสัยเหมือนเดิมเลยจริงจริงมันก็เปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนน้อยนะคะแต่ว่าการรู้กายรู้ใจในขณะเนี้ยแต่ละขณะเนี้ยมันละเอียดกว่านะคะเป็นขณะทีนี้เราอาจจะไม่มีสติรู้ทันในทุกขณะนะคะอาจจะหลงไปบ้างอาจจะเผลอไปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเราหมั่นเจริญสติเนี่ยค่ะ รู้รู้เราดูจะรู้กายใจเราอย่างเงี้ยเป็นการรู้จักตนเองแบบหนึง่งเวลารู้โกรธเนี่ยเราก็รู้ว่าเออเราโกรธนะซึมเศร้าก็รู้ว่าซึมเศร้าเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้ก็หลวงพ่อก็พยายามชี้กลับมาให้รู้ขณะปัจจุบันทุกคนก็อยู่ในห้องเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับอาจจะเป็นคําบาลีนะครับคือการที่คนที่ยัง มองมองสําคัญว่าตนคือตอนนี่ก็คือสักกายทิฏฐิใช่ไหมครับผมพ่ใช่ใยังยังเห็นผิดอยู่ยังเห็นไม่ถูกแล้วเราจะทำ า, าะทำให้เขาเห็นจะทําให้เขาเห็นเห็นเห็นถูกต้องได้ไงครผมพ่คืออย่างน้อยเราเร า, เราต้องเห็นเป็นก่อนหมายถึงว่าผู้บอกนะผู้ชี้ชี้บอกอนะต้องเห็นเป็นก่อนครับแต่ถ้าถ้าผู้บอกอยังเห็นไม่เป็นเนี่ยแล้วก็ <S <S <c oughs> วก็บอกไม่ถูกอ่ะ ใช่ไหมซึ่งถ้ามันก็น่ากลัวตรงที่เราคิดว่าเราเห็นแต่แตจริงมัน <sm art> ต้องแยกให้ออกมันต้องเห็นแยกยให้ใหต้องแยกให้ออกว่าความคิดกับการเห็นเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันถ้าถ้ายัางแยกไม่ออกก็ก็อาจจะคิดเอาเองว่าเห็นแล้วทีนี้มัน ต, ต้องต้องแยกออกก่อนว่าความคิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่คิดทีนี้เราก็ต้องมาสังเกตว่า เ อ, อมันเหมือนกับพิสูจน์กันอะ่ะถ้าพิสูจน์กันเพื่อให้เห็นว่าเออรู้กับคิดไม่ไมเหมือนกันทีนี้วิธีฝึกก็ลองเล่ น, เ ล, นเล่นดิแกล้งคิดขึ้นมาก่อนอออออนะเช่นคิดคําว่าพุทโธก็ได้นะสมมุติเนาะอืมหรืออาจจะคิดหนึ่งสองสามสี่คือคิดในใจเนี่ยแล้วก็คอยสังเกตว่าไอ้ตอนที่หยุดคิดเนี่ยรู้ได้ไหมว่าหยุดแล้วแล้วก็ถ้ารู้ว่าหยุดโอโดแสดงว่ามีตัวรู้แล้วหยุดคิดก็รู้และพอมันคิดมันก็ต้องรู้สิเพราะว่าคิดกับหยุดมันมันเป็นคนละว่าคน คนอาการกันนะนนเนาะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จก็ทบทวนใหม่เอาคิดแล้วก็เออรู้นี่ว่าคิดแล้วพอหยุดอ๋อหยุดก็รู้นี่จึงรู้จักว่าอ๋อรู้ไม่ใช่หยุดแล้วก็รู้ก็คือไม่ใช่คิดเนี่ยเริ่มเริ่มมองออกแล้วมันก็เริ่มร่มต้องเป็นแบบนี้แหละทีนี้ถึงว่าพอพูดถึงเรื่องสักกายทิฏฐิหรือว่าละักกายทิฏฐินะมันดูที่ว่ามันคิดหรือเปล่าถ้าคิดเนี่ยเพราะว่ารู้จักแล้วนี่เนาะ ว, ว่าคิดคืออย่างไงก็รู้ว่าอ๋อนี่มันยังคิดอยู่เลยยังไม่เห็นเลย เย mm hmm. มันก็จะแยกได้อืม mm hmm. เหมือนขั้นแรกเราก็ต้องอย่างนี้ก่อนนั่นสิพ่อต้องต้องแยกให้ได้ก่อนแยกให้ใหได้ก่อนเออต้องแยกว่าอะไรรู้อะไรคือคิด mm hmm. แล้วก็ละสักายทิทีเนี่ยก็ต้องเห็นก็เรียกว่าไม่ใช่คิดเลยต้องรู้หรือว่าเห็นนี่แหละคือประจักษ oh. ์แจ้งเหมือนดั่งตาเห็นเลยอ่ะว่าไอสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึง่งมันอุปมาได้เลยคําเนี้ยใช้ได้เลยเหมือนกับเห็นด้วยตามัน ทีนี้คนก็มันรู้จักแต่การเห็นทางตาเนาะแต่การเห็นโดยวิธีอื่นเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยไม่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เห็นเลยนึกออกครับหลวงพ่อก็เนี่ยครับผมว่ามันเหมือนขั้นแรกเราต้องแยกความคิดได้ก่อนความคิดความ <c oughs> รู้สึกเรต้องแยกให้ได้ก่อนทีนี้เหมือ น, นเห็นนะสมมติหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมติว่าเอาเราตอนนี้สมมติโยมอยู่ที่บ้านเนาะ เออถามจริงเรืงจริงก็ได้ตอนเนี้อยู่อยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยตอนเนี้อยู่บ้านหรืออยู่ที่ทํา ง, งานหรืออยู่ที่ไหนอยู่บ้านแหละครับอยู่บ้านแหละครับเออมีมีคนอื่นไหมในบ้านเนี่ยนอกจากเราดีครับมีน้องหมาด้วยครับกำลังเห่าเนี่ยเอาที่เป็นคนไม่มีเนาะเออเทีเ่ยวกับหมาก็ได้โยมดูสิว่าเออเขาเรียกว่าหมาเนี่ยจะใช้คําว่าเห็นก็นได้เนาะแต่มันเห็นทางตากรับ <c oughs> แต่ตัวเราเนี่ยสมมติเราปิดตาเนี่ยมันเห็นได้ไหมว่ามีตัว ปิดตาเรามองไม่ทมําเห็นไม่เห็นจริครับอาจารย์เอาแล้วรู้ได้ไหมว่ามีตัวอยู่บ้านตรงปิดตาตอนนี้ยรู้ได้ไหมว่ารู้รู้ได้รู้ได้เอออย่างเนี้<ม>เขาเรียกว่ารู้ไม่แต่ว่าไม่ใช่รู้ด้วยตาเห็นแต่มันรู้<า>ด้วยอ่าจะใช้คําพูดอะไรล่ะคือมันรู้ด้วยใจก็ได้ภาษาสมมุตินะเพราะฉะ<า> น, น, นั้นใจมันก็มีตาทีนี้ถ้าเราลองแยกเนาะว่าไอ้รู้กับกับตัวเราเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือคนละตัวถ้าถ้าเราแยกการเห็นหรือว่า การรู้เนี่ยพอรู้เนี่ยว่ามีตัวใช่ไหมตอนเนี้ยตัวอยู่บ้านเนาะหลับตาอยู่รู้เลยครับตอนนี้เออยังรู้แสดงว่าตไอตัวที่ถูกรู้เนี่ยกับรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมอ่ะสมมติลองพี่นาแยบใายหน่อยครับก็เราเรารู้กับถ้าใช่ครับเราต้องรู้ครับเราเรารู้ครับตอนนี้ว่าเราว่าเรามีเออเมื่อกี้บอกว่าใจรู้ตอนนี้เป็นเรารู้เลยนะเอาเอาสักอย่างคือเอาสมมติว่าใจรู้ใจรู้เนะ ครับอ่าใจรู้ใจรู้ว่ามีตัวตัวคือรูปรูปทรงสันฐานเนี่ยนะเห็นไหมมันรู้ได้ตรงเนี้ก็สามารถที่จะแยกได้เลยว่าใจกับรู้เนี่ยคนเอ้ยใจกับกับสิ่งถูกรู้เนี่ยคนละตัวกันครับพอพอเข้าใจได้เนาะเข้าใจครับ <ผม S 1> ทีนี้เมื่อรู้รแต่แล้วเนี่ยต่อไปไอ้รู้เนี่ยมันก็ช่างสังเกตคือเห็นว่าไอ้กายเนี่ยมันมีความแปรเปลี่ยนมีความไม่คงที่แล้วก็มันเป็นคนละตัวกับใจที่รู้ อ่าแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันเริ่มแยกออกมาใช่ไหมพอแยกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันแยกเลยไม่เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นแยก แ, ยกแล้วนี่ถ้าแยกไม่ได้เนี่ยอย่างไงก็ละไม่ได้ต้องแยกให้ได้ก่อนแยกไม่ได้ต้องแยกให้ใหเป็นก่อ น, น, <S <S อนพอแยกเป็นเสร็จแล้วมันก็จะรู้ว่าไอ้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นถูกรู้เนี่ยไอ้ตัวนั้นแหละมีความไม่เที่ยงคือเห็นถึงความอย่างน้อยก็เห็นใจรักเออเห็นเห็นความไม่เที่ยงถ้าความไม่เที่ยงเนี่ยอาจจะละได้เหมือนกันว่าเออไม่ใช่เราหรือเห็นความเป็นทุกข์ของมันคือมันทนสภาพเดิมไไม่ด้ ก็อาจจะละได้หรือว่าเห็นมันเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ละสักกายทิฏฐิได้ในในขั้นที่เรียกว่าไม่เห็นถูกอ่ะก็เรียกว่ามีสัมมาถถทิฏฐิในความเห็นถูกต้องอ่ะครับอืมต้องแยกก่อนถ้าไม่แยกนี่ไม่เป็นไปไม่ได้เลยต้องแยกอือืมโอแต่ว่าชัดนะหลวงพ่อหลวงพ่อแบบว่าให้มองเอาทีนี้วิธีเราหลับตาแล้วรู้ไหมเรามีตัวอยู่เนี่ยเรารู้รู้ด้วยไม่ได้รู้ด้วยตาเแี่ยรู้ด้วยความรู้สึกอ่ะทีนี้ ออ่าาาาันนี้้มมรูวเคยํหรือเปล่าวงพ่อเคยบอกโยมนะวิธีรู้ตัวเองจริงๆมันมีเยอะแต่นี้เอาทดสอบอย่างนี้ก็ได้ปิดไฟให้หมดนั่งในที่มืดอ่ะมันเห็นตัวเองได้ไหมล่ะหลวงพ่อไม่ได้ครับมันมืดมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นแล้วรู้ได้ไงว่าเราอยู่เราอยู่ในที่มืดนะเรารู้ตัวครับว่าเราเออรู้กับเห็นนี่ยจริงๆมันใกล้เคียงกันเลยใช่ใช่นี่ตัวอย่างผมว่าหลวงพ่อครับต้อมีตัวอย่างอย่างเช่นว่าพี่อนาจเวลาเออ่ ไปดูหนังโรงหนังนะคะเวลาเราทานพ็อปคอร์นะคะ่ะเราไม่เคยเอาพ็อปคอร์นใส่จมูกเลยค่ะพี่อำนาจใช่ใช่จริงจริงไหะใช่ใช่ค่ะถ้ะทาที่บางทีไฟมันดับอ่ะค่ะค่ะแต่นั้นก็คือแค่ภายนอกนะคะแต่ว่าภายในอะ่ะคือจริงๆมันรู้โดยที่อย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราไฟดับนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันไฟดับแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราก็อยู่ตรงนั้นนะคะ ม, มันมันมี บางทีหลวงพ่อเนาะก็ศึกษาเรื่องไอ้ตัวรู้นี่แหละหลวงพ่อชอบ ช, ชอบชอบเอาเหตุการณ์เนี่ยมาพิจารณาเช่นเช่นนะสมมุติเราเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดถึงว่าออถ้าเราเราปิดไฟเนี่ยมันมองเห็นได้ไหมโอเคถ้าเราจะให้ค่าว่าเห็นอะไรบางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งที่เราให้ค่าอันนั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าความมืดเนี่ยโคตรชัดเลย <Okay. S 1> เห็นสีดำอะชัดมากเลยนะทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็จะแยกอีกว่าเอา้า สีดำมันมองเห็นนี่แต่ถ้าไปเห็นพวกโต๊เก้าอี้โอเคเรามองไม่เห็นแต่ถ้าสีดำเนี่ยปิดควัยนี่ยิ่งชัดหลวงพ่อก็มองว่าอ๋อสีดำนี่มันเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็เข้าใจได้เลยว่ามันต้องมีมีธรรมชาติหรือว่ามีผู้เห็นขึ้นมาแต่ผู้เห็นเนี่ยไม่ใช่สีดำแน่นอนเพราะมันเป็นคนละสิ่งกันอ่าแล้วก็พอมาเปิดไฟให้สว่างอา้าพอความสว่างสีดำก็หายไปแล้วก็เกิดเป็นความสว่าง หลวงพ่อสมมติเรียกเป็นสีขาวกันแล้วกันเนาะสีขาวก็เป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่ใช่สีขาวก็เลยมาเทียบคู่กันว่าไอ้สีดำก็ไม่ใช่ผู้เห็นสีขาวก็ไม่ใช่ผู้เห็นจึงแยกได้เลยว่าไอ้เห็นเนี่ยไอ้ผู้เห็นเนี่ยไม่ใช่สีไม่มีสีเนี่ยหลวงพ่อมองอย่างเนี้ยแต่มันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นหรอกว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงแต่ต้องมีถ้าไม่มีมันจะเห็นสีได้ยังไง ก็เลยเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อไอ้ e, ธรรมชาติรู้เนี่ยธรรมชาติเห็นก็มีอยู่แล้วก็อันนี้สามารถเข้าใจได้เลยว่าต้องไม่เป็นเราแน่นอนเพราะว่าเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ยเรานั่งอยู่ก็เป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่รู้อยู่ไหนแต่มันก็เห็นเราตรงนี้หัดแยกแบบนี้ก็เลยเข้าใจเรื่องการเห็นขึ้นมาว่าอ้อมันมีอยู่แต่ไม่ใช่เราแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นเรามันเราต้องสแสดงตัวตนได้แต่การเห็นเนี่ยการรู้มันแสดงความ การเห็นการรู้ไม่ได้มันมีแต่รู้แต่เห็นก็เลยว่าอ๋อเห็นไม่ใช่เราเราเป็นสิ่งถูกเห็นหมายถึงว่าไอตัวเราที่พูดได้เนี่ยตอนนี้เป็นสิ่งถูกเห็นะแล้วอะไรมาเห็นเราแล้วครับหลวงพ่อก็นั่นนะดีก็เป็นหลวงพ่อก็ตั้งชื่อมันว่าเออเป็นธรรมชาติก็แล้วกันแต่ไม่ใช่เราใช่ไหเป็นธาติก็ได้ค่ะเป็นธาต์เออแล้วแต่จะเรียกชื่อเลยเนาะค่ะแล้ววันก่อนหลวงพ่อพูดถึงเรื่องการเห็นเนี่ยว่าเออเรา ไปพักโรงแรมเนาะคนละห้องกันนะแล้วก็ทําไมรู้อ่ะทําไมเห็นว่าเพื nous, ่อนอยู่ห้องโน้นเราอยู่ห้องนี้เนี่ยมันก็มีธรรมชาติเห็นเหมือนกันแต่ธรรมชาติันนั้นเน่ยมันมันไม่ใช่เราแน่นอนเพราะเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วไงเพราะฉะนั้นสําคัญมากที่รู้เราเนี่ยมันจะทําให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติที่เห็นเราเนี่ยหลงพ่อจึงพูดบ่อยว่าให้รู้เราเซะจะได้รู้จักว่ามันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้เราแต่ธรรมชาตินั้นอ่ะไม่ใช่เรา ภาษาแบบนี้งงางเงี้ยที่หลวงพ่อพูดแบบเนี้ยผมผมพอจะเราเราได้หลวง พ, อพออ่อพราะผมตอนนี้ผมฝึกจากเมื่อก่อนน่ะคิดก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดกันหลวงพ่ออืยังไม่รู้ตัวเองคิดนะไม่รู้เลยว่าเราจมอยู่กับความคิดแต่ตอนนี้พอฝึกมาได้เจ็ดเดือนก็รู้แล้วว่าเออเรากําลังคิดอยู่ซึ่งปาจารย์ุมารรผมนะว่าอ๋อความคิดมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อโอเคแล้วก็ออกจากความคิดไปรู้สึกตัวทําอย่างเงาี้ยสลับไปสลับมาแต่ พอมาเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเราดังวันนั้นที่ผมฟังหลวงพ่อขอพ่อบอกว่าล่างอี่ล่างมันตายไปแล้วเราจะต้องเออหรือเรื่องสังขารเนี่ยผมว่าอืมผมยังยังไม่ได้นะเนี่ยหรือดื้อเนี่ยคุณสวงไงคุณนพพลัดก็รู้จักกันมาดีครับมาสะท้อนในห้องวันนั้นว่าไอ้ตัวเองก็ยังติดอยู่ตรงนี้อยู่อย่าเงี้ยผมก็นั่นแหละครับหลวงพ่อก็พยายามจนหลวงพ่อให้บวนให้ผม เมื่อวานหรือวันก่อนให้ผมมองทีวีแล้วก็มองตัวมองทีวีแล้วมองตัวอย่างเงี้ยอ่าผมก็ไปฝึกครับุกวงพ่อสครับแล้วแล้วเข้าใจอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าพอทําแบบนั้นะอะไรยังไงมันก็มันก็เกิดสภาวะก็เออก็มันระหว่างที่มันมองไปมองมานี่มันคก็เออมันเกิดสภาวะอะหลวงพแต่ก็ยังไม่ม <c oughs> าแล้วคุณคุณนานุลรัตน์คุณสวงแล้ว แตองลองคุยดูเทียมนาดเรียกผมนี่อัตตาขึ้นมารับแรงอ่าเห็นใจตัวเองไหมล่ะเห็นใจตัวเองไหมล่ะเห็นไหมเริ่มเห็นบ้างแล้วแหละเออผมผมเสริมเทียมนาดอย่างนี้นะครับคือหนังสือเล่มแรกที่ที่หนังสือหลวงพ่อเทียนเล่มแรกที่ผมอ่านเนี่ยทําให้ผมบวชแต่ว่าผมเสียเวลาไปสามเดือนโดยที่รู้สึกตัวไม่เป็นแต่ว่าไอ้คอร์สที่จริงๆผมไปเอ่าเป็นสิทธ์น้องเทียานาดมันเนี่ย อาจารย์ท่านก็เก่งมากที่ทําให้ผมรู้สึกตัวเป็นนครับเรียนอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคือช่วงหลังๆมันจะรู้สึกมันมันหนักๆแล้วเนามันก็มีความรู้สึกว่าคือถ้าใช้คําหลวงพ่อมันก็คือเหมือนเป็นภาวะที่เรารู้อครับเออเรารู้มันต้องแล้วมันต้องทํานุ่นทํานี่ตลอดเวลาแต่พอไม่ได้ยินเอหลวงพ่อพูดว่ามันมีมุมนึงคือต้องรู้เราเนี่ยเออมันก็มันมันเหมือนมัน มันช่วยทําให้มันสะท้อนกลับมาเห็นว่าเออเราเราติดตรงนี้อยู่อะไย่างนี้ยครับก็เลยขออนุญาตติดตามฟังครับขอบคุณครับเทียมนาดครับผมฝึกมาด้วยการทาหลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องรู้เรานะเดี๋ยวลองลองลองดูนะเรื่องยกตัวอย่างทีวีก็ได้เอาทีวีมันอยู่มันมันมันอยู่ด้านหน้าเราเนาะเราก็นั่งมองทีวีทีนี้ถ้าไม่รู้เราเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่า มันมีแต่ทีวีแต่ไม่มีผู้เหมือนกับว่ามันมีแต่ทีวีอ่ะเพราะมันลืมตัวไปแต่พอนึกได้ว่าว่ามีเรานั่งอยู่หน้าทีวีปั๊บเนี่ยตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาทันทียมยมพอมองเห็นภาพได้ไหมไอตอนที่ลืมตัวเนี่ยมันลืมไปเลยตัวเราจะเป็นอะไรก็มันลืมไปแล้วไงเพราะมันดูแต่ทีวีแต่พอรู้ตัวปับ๊บมันจะเข้าใจเลยว่าไอตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ เป็นถูกรู้ถูกเห็นน่ะเออเหมือนกับทีวีเลยทีวีก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ตรงนี้มันก็เลยเข้าใจเรื่องตัวรู้ขึ้นมาว่าอ๋อตัวรู้เนี่ยมารู้เราอ่แล้วก็พอเข้าใจเรื่องตัวรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันมันทำให้แจ่มแจ้งได้แบบเยอะเลยเพราะว่าตัวรู้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้จักตัวรู้เพราะฉะนั้นตัวรู้เนี่ยคือเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งรู้จักแล้วมันก็จะเข้าใจด้วยแบบ ปัญญาเลยว่าไอาตัวรู้เนี่ยไม่ใช่เราแน่นอนเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักมันอ่าแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็บวกด้วยที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าว่าตัวเราทั้งตัวคือขันธ์หอ่าแล้วก็ขันธ์หก็คุณลักษณะเป็นยังไงอ่ะก็คือมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปใช่หมแล้วก็ขันธ์้าก็เป็นตัวทุกข์ทนสภาพเดิมไม่ได้ต้องแก่เจ็บตายไป แล้วก็ถ้ามีปัญญามากเข้าใจเลยว่าไอ้ตัวเราคือขันธ์ห้าเป็นเป็นอะไรนะค่ะรือเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นอนัตตาแล้วพระพุทธเจ้าสารุปตอนสุดท้ายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นสรุปรวดยอดในในฉับพันก็คือว่าเมื่อรู้ตัวเรารู้แล้วก็คือไม่หลงยึดถือแค่นี้ก็หลุดพ้นในปัจจุบันคือรู้แล้วแล้วไม่หลงยึดถือไม่ไปยึดอ่ะได้แต่รู้ว่ามีอยู่ไม่ยึดมันก็หลุดพ้น อันนี้การหลุดพ้นก็คือต้องระดับปัญญาเนาะจากการสะสมได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะนั้นทุกครั้งที่รู้ตัวก็คือได้แค่รู้แต่ก็ไม่ได้ยึดถือมันก็